ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตัมฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฝึกทาสมาธิมาฝึกปฏิบัตินำธรรมะเข้าสู่จิตใจทำจิตของเราให้มีความวิเวในช่วงของจิตตวิเวดังสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันอังคารเรามาฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบกันตามฟังสิ่งที่จะทำให้เราไม่สามารถมาทำสมาธิทำจิตให้วิเวกทำจิตให้สงบได้นั่นคือนิวรนิวรหมายถึงเครื่องกลางกัน พระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ดังนี้ว่านิวรเป็นเครื่องกางกั้นห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่ที่เมื่อท่วมทับจิตแล้วจะทำปัญญาให้ถอยกำลังปัญจเมอาวารณนานิวรณาเจตโสอัจารุหาปัญญะทัพปลีกระรณา อยู่เวลาที่ท่านผู้ฟังหลับตาลงนั่งลงกำหนดดูไม่ว่าจะใช่วิธีใดก็ตามจะเป็นดูลมหายใจจะนึกพุทธโธจะยุบหนอพองนนอจะดูรูปนามจะมีสัมปชัญญะในกายจะพิจารณากระดูกหรือว่าอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทำจิตให้สงบ สิ่งที่จะทำให้เราเผลอออกไปลืมไปี่ว่าจะต้องมานึกถึงลมสิ่งนั้นคือนิวรณ์ห้อย่างนี่แหละองมาฟังนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกลางกันปัญจิเมอาวรณนานิวรณ์ท่านรปไว้เหมือนกับเวลาที่น้ำน้ำมันใสๆอยู่นี่แหละปรากฏว่ามันเจือด้วยสี เป็นสีแดงว้างสีเหลืองบ้างเอาน้ำมากระมังหนึ่งใส่สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีอะไรลงไปเสร็จปุ๊บเอา้ามันก็ไม่ใส่สิดูผ่านทะลุปไปไม่ได้สมัยก่อนก็ไม่มีกระจกเงาคนมั่งมีหน่อยเขาก็เอาโลหะมาขัดเงามาทำเป็นชิ้นเป็นแว่นส่องหน้าได้ เป็นกระจกได้คนที่ไม่รวยมีเงินน้อยอยากจนหน่อยก็ใช้การดูหน้าตัวเองจากน้ำโดยการตั้งหม้อใบใหญ่ๆไว้ใส่น้ำใสๆลงไปแล้วก็ให้มันนิ่งๆก็จะสามารถดูสะท้อนเงาหน้าของตัวเองขึ้นมาได้แต่ถ้าน้ำมันขุ่นไง น้ำมันขุณนนมันมีสิ่งแปดเปื้อนการสะท้อนแสงมันก็เย็ยนไปตัอฟังจึงในคันบาตาช่องทางใจมันมีสิ่งเหล่านี้มากมันจะมีปัญหาดได้วันนี้จะอธิบายถึงเรื่องกามาชันทัศในขณะที่เราฟังไปเนี่ยเราคข้ควนไปถามอันนี้จะเป็นธรรมานุปัสนาสถิปฐาน ในหมวดที่เป็นการเห็นธรรมในธรรมหนึ่งในธรรมะหลายๆอย่างที่ท่านให้เห็นนั้นคือเห็นเรื่องของนิวรณ์อา้าวเห็นนิวอน์แล้วมันจะไปทำความสงบได้อย่างไรไม่ใช่หรือว่าเราทำจิตให้สงบมันก็ต้องไม่มีนิวรณเราไม่ต้องการนิวรณนนะ่ะเราจะไปเห็นนิวรณ์ทำไมวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะตั้มฟังนะ เราต้องยอมรับมันสักก่อนว่าเรามีปัญหามันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกมีแต่การเรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้แล้วหรื อ, อมันแก้ปัญหาได้การเรียนรู้นั้นก็ต้องเกิดจากการยอมรับความจริงสักก่อนยอมรับความจริงว่าในจิตที่อยู่ในช่องทางใจมันมีเครื่องกลางกัน้นเรื่องเศร้ามองนิวร์เหล่านี้หรือไม่ ถ้ามีเราก็ต้องรู้ชัดว่ามันมียอมรับมันยอมรับมันรู้ชัดแล้วเออถึงจะแก้ปัญหาได้ถึงจะละเหมือนไปได้ถ้าพยายามยิ่งฝืนนะการทาสมาธินี่ฝืนไม่ได้เลยยิ่งถ้าฝืนยิ่งท้าบังคับโอ้อย่าฟุ้งซ่านอย่าคิดเรื่องนั้นอย่าตริตรึกเรื่องนี้อย่าบรุงแต่งเรื่องนอนเหมือนจับนกกระจาบด้วยมือสองมือนี่ บีบแน่นเกินไปนกตายได้ปล่อยมือหลวมเกินไปนกก็บินหนีไปได้มันยังจะร้อยเข็มกับได้นี่ถ้าแบบเกรงมากแทงเข้าไปแทงเข้าไปมัน้าไม่ได้หรือถ้าทําช้าๆเงื้งืง้งงงงอเงเมาไม่เห็นมันก็แทงไม่ได้อีกเหมือนกันมันต้องพอดีประดีนะ จะเร็วไปก็ไม่ได้จะช้าก็ไม่ได้ฉันได้ขึฉันนั้นติงฝังว่าจิตของเราจะให้เป็นสมาธิเป็นระเวันเดียวเนี่ยมันไม่ใช่การบังคับเอาหรือว่าฟื้นรวมป ร, รุงแต่งแต่มันต้องมีกระบวนการที่ทำไปตามขั้นตามตอนมันก็จะได้ขึ้นมาเองเหมือนจะเป็นอัตโนมัติเองเริ่มแรกเราต้องมีสติสติที่เรากำลังใช้วิธีนี้คือ ธรรมานุปัสสนาสตรีปทานการเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมอะไรในที่นี้เราเอานิวรณ์คือเครื่องกันอยู่ที่ไหนในจิตของเรามีไหมมีไม่ ม, ไ ม, มีไม่รู้เพราะว่ามันตะกี้ไม่มีเดี๋ยวนี้อา จ, จะมีก็ได้ตอนนี้มีอยู่ด้วยมันอาจจะดับไปก็ได้แต่เรามาใไขกล้วยมันเลยตมาฟัง มาตรึกตรึกมาคิดนึกมาใค ร, คร่ครวญมาเลยว่าไอ้เจ้านิวร์เนี่ยมันเป็นยังไงนิวรหมายถึงเรื่องกันเรื่องขวางเรื่องข้องเป็นอุปสรรคอย่างแรกนั้นคือการมัชันทักแปลว่าความพอใจในกรรมฉันทัคือความพอใจกรรมก็คือ ความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินไปในเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตาจมูกผ่านทางกลิน่นรสผ่านทางลิ้นบ้าผ่านทางกายถ้ามีความยินดีพอใจเพลิดเพลินรุ่มหลงไปตามห้าช่องทางนี้ความรุ่มหลงเพลิดเพลินนะ่ะคือกามกามไม่เหมือนกับกรรมมามวัตถุนะ กามาวัตถุคืออาหารอาร่ อ, อยดนตรีภพเราะรูปสวยๆหล่อ ๆ, ลอๆกลิ่นหอมๆความวิจิตพิสดานของสรรพสิ่งภายนอกหนึ่งคือวัตถุกรรมแต่บางคนมีวัตถุกรรมมากแต่เขาไม่มีกรรมที่อยู่ภายในนั่นคือกิเลสกรรมอาจจะเป็นไปได้ ยกตัวอย่างพระพุทธิชา ต, ตอนเป็นโพธิชัดอยู่ในประสาทราชวังโอ้ทั้งเสียงดนตรีทั้งอานดีๆทั้งคนสวยคนหลอ่อมีหมดอะแต่ว่าจิตใจไม่ได้เคลิ้มเปลอเปลิ่ลนคลอยไปทางนั้นคือมีวัตถุ ก, กรรมมากแต่กิเลสกรรมน้อยในขณะที่บางคนวัตถุ ก, กรรมไม่ได้มากกว่าบ้านธรมธรมดารถก็อาจจะไม่ค่อยดี แล้วก็โทรศัพท์มือถือใช้ทุ่ ว, วไปแม้แต่จิตใจมันอยากจะได้ของดีๆอยาได้บ้านโตๆอยาได้รถรู้ๆหนึ่งก็คือมีวัตถุกรรมน้อยแต่กิเลสกามมากไอ้กามตัวนี้แหละท่านฟังมันคือส่วนของกามมันทะฉันทะคือความพอใจตัวอย่างก็ได้ท่านฟังกามหมายถึงกามักิเลสคือความ เลินในจิตฉันทะคือความพอใจมารวมกันเรียกว่ากา ม, มฉันทะหมายถึงจิตมันมักจะพอใจไปในกามซึ่งแน่นอนตามุฟังว่าในขณะที่เรานั่งหลับตาอยู่เนี่ยยังมากที่สุดเราก็จะได้ยินเสียงดมกลิ่นใช่ไหมสมบัติทางกายอย่างนี้เห็นรูปนี่ไม่มีละแต่ลักษณะจิตที่มีกา ม, มฉันทะนี้ มันจะดึงให้ไปคิดถึงกามเก่าๆที่เคยผ่านมาแล้วและดับไปแล้วเพราะความที่มันแปรรวนไปหมายถึงเวลาที่พระพุทชเ้าเคยยกตัวอย่างตัวเส้นเองนี่แหละตอนแรกออกบวยใหม่ๆออกจากปราสาท ร, ราชวังแล้วเนี่ยมันจะมีบางโมเมนต์บางครั้งบางคราวบางเวลา ที่ตอนนั้นจิตยังไม่เป็นสมาธินะก็จะห่วนนึกถึงกรรมในอดีตที่จะไปนึกถึงกรรมที่จะปรุงแต่งไปข้างหน้าหรือปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะมีน้อยหมายถึงความที่จิตมันจะเพลนไปตามความคิดเรื่องเก่าๆมันจะมีมากกว่าเก่าๆนี่อะไรก็กรรมเรื่องเก่าๆ เ, เคยกินอาหารแบบไหนอยู่สบายยังไง ทั้งเครื่องแต่งกายทั้งที่พักอทูดูตอนนี้สิที่พักก็อยู่ตามใต้ร่มไม้แทนที่จะอยู่ในปราสาทจดชั้นอาหารก็เป็นผลไม้ที่หล่นเองตามธรรมชาติแทนที่จะเป็นเนื้อเป็นปลายอย่างดีเรื่องนุ่งห่มอโทูตอนนี้มันก็เป็นผ้าปอนๆทับๆกันไปธรรมดาก่อนหน้านี้นี่ มีทั้งกรอบหน้ามีทั้งเครื่องทรงมีทั้งเครื่องประดับความที่จิตมันนึกย้อนไปตรงนี้แหละตั้มฟังในกามสัญญาที่เป็นอดีตความคิดเรื่องกามนั่นเองไม่ค่อยมากหรอกที่ว่าจะปรุงแต่งไปเออเนี่ยฉันจะใช้ผ้าที่เป็นผ้าไหมมาทําจีวอหรือไปบินาบาดได้อาหารดีๆ เจนได้เคกก้อนหนึ่งไดไอศครีมหนึ่งถ้วยจิตมันจะไม่ค่อยปรุงแต่งไปในปัจจุบันหรืออนาคตเท่าไหร่แต่มักจะนึกย้อนไปในอดีต ท, ที่ตนเองได้เคยเสพมานี่คือลักษณะของความคิดนึกในทางกามที่เป็นอย่างนั้นเพราะจิตมีกาเมาชันดกตัวเราก็เหมือนกันท่านยกตัวอย่างตัวของท่านเปรียบเทียบเตือนเอาไว้ว่า ตัวของเธอก็เหมือนกันนะก็จะเจอปัญหาเดียวกันนี้นั่นคือกาม่ฉันธานีแล้วก็มักจะไปเน้เรื่องเก่าๆเดิมๆที่เคยได้ทํามาเจอมาดี ๆ, ด, ๆดีๆนี่หมายถึงมันหน้าเปลิอเปลินไปในทางวัตถุกรรมนั้นมักนึกย้อนไปในนเรื่องนั้นๆยกตัว อ, อย่างผู้ปฏิบัติธรรมที่ไปตามสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่วัดไม่ว่าจะเป็นที่มูลนิธิเวลาเราไปหลีกเร้นบริบิบบทย่ ร, รมเนี่เอาคุณก็ต้องนั่งสมาธิใช่ปะหรือแม้แต่ตอนนี้เองก็ตามเถอะนะฮะอยู่ด้วยกันหนึ่งชั่วโมงเราไม่ต้องพูดถึงว่าเจวันหรือ10วันหรือ9วันเอาแค่ว่าหนึ่งชั่วโมงอยู่ด้วยกันเชิญพยายามจะทําจิตให้มันสงบเนี่ยเดี๋ยวเมื่อทีมันได้เนึ้อแล้ววะแหมถ้าเลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยเชิญจะไปกินอันนั้น ที่ไปกินอันนั้นเนี่ยมันก็คืออันที่เคยกินมาก่อนนั่นแหละแล้วไปกินนะก็จะชวนคนนี้ไปด้วยชวนไปแล้วก็จะคุยเรื่องนั้นด้วยคนนี้ก็คือคนที่เราเคยรู้จักแล้วนั่นแหละเรื่องที่จะคุยนั่นก็คือเรื่องที่เคยผ่านมาคุยกันมานั่นแหละมักจะเป็นไปแบบนี้ถ้ามีอย่างนี้มาก็คือมีการมาฉันดะละนอกจากจะทาจิตให้เศร้าหมอง จะทำจิตให้ไม่ผ่องใสเปรียบเหมือนน้ำที่มันขุ่นมัวมองภาพอะไรต่างๆไม่เห็นไม่ทำจิตให้สงบแล้วยัพูดถึงเวลาที่ถ้าเราต้องการจะทรงจำเรื่องอะไรใดๆก็ตามมีพรหมามชื่อสขาระวะได้เคยไปตามพระพุทธเจ้าถึงว่าเอ๊ะทำไมเวลาท่องจำมนอันใดอันหนึ่งนี่นะ มันจำไม่ค่อยได้หรือจำได้ก็ได้ไม่นานหมายถึงพอจำบทต่อไปได้บทก่อนก็ลืมหรือไอ้อะไรที่มันเคยจำได้ผ่านมานานๆแล้วเฮ้ยทำไมตอนนี้มันจำไม่ได้เออนี่ก็นับว่าฝึกท่องฝึกอะไรกันมาอยู่เต็มที่แล้วนะสาระยายสัจชายักันมาเต็มที่นี่โอ้ยแล้วไอ้ที่ไม่ได้ท่องไม่ได้อะไรนี่มันยิ่งจำไม่ได้เลยเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้น แต่ฉันจึงยกเรื่องนิวรณ์หได้แหละหนึ่งในนิวรณ์คือการมาฉันดาที่เรากำลังพูดถึงอยู่วันนี้ตอนนี้ทําให้ความจําไม่ดีทําให้การที่จะคิดอ่านเรื่องใดๆอะไรไงมันไม่แจ่มแจ้งมันก็จะมัวๆมึนๆตึงๆคลุกคักคลุกลักไปก็เพราะนิวรณ์เองไงนิวรณเป็นเครื่องทําให้จิตนั้นถอยกําลังทําให้จิตนั้นไม่แจ่มแจ้ง สึ่งในที่นี้หมายถึงการเรียนก็ไม่ดีเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ว่าต้องท่องจำอะไรมากนะเช่นวิชาคํานวิชาอะไรต่างๆนี่จำสูตรก็นิดหน่อยบางทีก็ให้เปิดสูตรด้วยบางทีเขาให้เอาเครื่องคิดเลขเข้าไปในห้องสอบด้วยนะแต่มันก็คิดไม่ออกว่าต้องใช้สูตรไหนแล้วก็ถ้ามนนี้ถูกไม่มีกบดักอะไรใส่ตัวแปรใช้ได้หรือไม่ก็ถ้ามีนิวเนี่ย มันจะผิดมันจะพลาดมันจะไม่ชัดเจนมันจะไม่แจ่มแจ้งท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่คนไปกู้หนี้ตบบังคนไม่มีเงินนะคนจนนะไม่มีเงินแล้วต้องการใช้เงินทำไงก็ไปกู้ถ้ากู้มาลงทุนก็ว่าอย่างนะแต่นี้กู้มาใช้จ่ายไปเฉยๆนะตอนกู้แล้วเขาให้กู้เนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอก ปัญหาอยู่ตรงนี้ว่าเออหาคนจะให้เนะี่ยไม่มีมยิ่งจะไปยืมเพื่อนนะโอ้บางทีเสียเพื่อนได้เลยเอยเราไม่ไปยืมเพื่อนดีกว่าไปยืมคนอื่นไปกู้แบงค์บ้างนั่นก็คือหนี้ในระบบหรือบางทีไปกู้จากโลนชาร์คบ้างนั่นก็คือจะเป็นหนี้นอกระบบพวกนี้เขาก็มีระบบอะจะในระบบหรือนอกระบบก็มีระบบอยู่เขาก็จะมาทวงไงแต่ถึงเวลาต้องจ่ายดอก หรือถึงเวลาต้องคืนเขาก็จะมาทวงเอ๊มาทวงแล้วเราไม่มีนี่เนมันเคลียดละเขาก็ต้องมาทวงว่าจงใช้จงใช้ใชโอยบางทีก็โทรมาส่งไอเอกสารสลิปนะที่ว่ า, าเดือนที่แล้วคุณยังไม่ได้ชาระนะเดือนก่อนนี่คุณชาระอยู่จ่ายมาเท่านี้เป็นเงินต้นเท่านี้เป็นดอกเท่านี้ ยิงตาเขาโทรมาทวงหรือว่ามาถึงบ้านเลยเนี่ยโอ้เครียดเลยคือจิตใจมันจะไม่สบายเนี่ยเวลาคิดเรื่องนี้ทีไรมันก็จะกังวลใจมันจะแบบมันจะตกวบเลยสึ่อนี้มันจะต่างกันกันกบเรื่องที่ทําให้เรากลุ้มใจนะอจริงๆแบบบางทีพ่อแม่ก็อาจจะกลุ้มใจเรื่องลูกคนนั้นเป็นอย่างงี้นี่นจะเป็นลักษณะของกุกุ จ, จะคือความรำคารใจจะค่อยว่ากันต่อไป วันนี้เอาเฉพาะเรื่องของความคิดไปในต่างกามความคิดเป็นในต่างกามที่เปรียบเหมือนการไปกู้หนี้แล้วถูกเขาตามทวงมันจะมีความกังวลใจมีความไม่สบายใจลึกๆมีความเศร้าหมองอยู่คือถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เราใช้หนี้หมดน่นะคนที่ไม่มีหนี้เลยอ่ะบ้านก็ไม่เป็นหนี้รถก็ไม่เป็นหนี้ มันจะมีความสบายใจกว่านะคือต่อให้เป็นหนี้ที่มันดีๆอ่ะหนี้ธุรกิจหรือหนี้บ้านหนี้รถที่มีหลักคำประกันคือยังไงต่อให้เขาส่งบินมาทวงแล้วเรามีเงินจ่ายเนี่ยปเปรียบเทียบกับวันไหนที่เราจ่ายหมดนี่เออไม่มีหนี้นี่สบายใจกว่านะทุบละจะมีหนี้มันก็ยังต้องมีเรื่องอะไรที่ต้องไปจัดการอะไรอยู่มันจะมีความกังวลใจอยู่มันจะมีความไม่สบายใจอยู่ ในที่นี้หมายถึงความเศร้าหมองของจิตใจของเรานั่นเป็นประการก็มีนี่ไงถ้าหมดนี่โอ้สบายละเช่นเดียวกันทับวังตื่นเปรียบไว้กับการแมชันทัศถ้าเริงมีความพอใจจิตมันจ ะ, จะคล้อยไปคิดเรื่องที่มันเป็ น, เ ป, นเป็นในทางกามนะ่ะน่ะมันมันเศร้าหมองล่ะมันจะมีห่งห่วงอยู่มันจะมีความกังวลกังวลอยู่จิตมันไม่ปล่อยมันไม่เย็นมันไม่ใสเต็มที่นะ่ะ มันมีความเศร้าหมองจุดนี้อยู่แล้วไอ้ ก, การมันฉิตาที่ไปกินนี่แหละตัววังนั่นยังหมายเป็นสองอย่างนะคือเป็นส่วนที่เป็นภายในและส่วนที่เป็นภายนอกภายในก็คือประลบตัวของเราเองกลุ่มเสียงกลิ่นรสพอตท ะ, ะหาอย่างที่เป็นไปในตัวเราที่เราเคยเซไมาอย่างเช่นว่าฉันเคยมีบ้านใหญ่โตอย่างนี้ คนนี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละฉันเคยมีรถอย่างนี้ฉันเคยมีคนรับใช้ยอย่างนี้ก็เจอเคยกินอาหารอย่างนี้นี่คือของภายในตัวเราเองที่เราเคยเจอมาที่เราเคยประสบมาแล้วเราก็คิดถึงมันจิตไปทางนั้นคือการมชันทะที่เป็นภายในถ้าภายนอกหมายถึงของคนอื่นที่เราเห็นคนกู้หนึ่งเขาเสพอะ โอ้ดูทีวีเนี่ยหมาของพวกดาราเนี่ยโอ้โหมันกินสเต็กนะโอ้โหหรูมากเลยกินหรูกว่าเราอีกนเนี่ยเนี่ยเฮยบางทีเราก็อยากได้บ้างเดีน๋นี่อ่ะนั่นคือปรารคของบุคคลอื่นภายนอกปรารคของคนอื่นที่เขาเสพดีๆได้อร่อยได้บ้านโตๆคนนั้นก็มีรถหรูอย่างนี้ฉก็อยากมีบ้างคนนั้นก็มีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีเงินทองอย่างนั้นจึงก็อยากมีบ้าง อันนี้คือการมัฉันตาที่เป็นภายนอกคือไม่ใช่ว่าหมายถึงในจิตใจของคนอื่นนะการมัจฉันทาทั้งหมดมันคือของเราเนี่แหละที่ทำมันขวางมันกั้นเราอยู่มันทําปัญญาของเ้าถอยกําลังปรารอจากตัวเราเองก็ได้นันคือการมัฉันทาภายในประรอบจากคนอื่นก็ได้ที่เห็นเขาได้ดียังไงนั่นคือการมัฉันทาภายนอกการมัจฉันทามีทั้งภายในมีทั้งภายนอก อย่างใดสองอย่างก็เป็นกามาชันทะเหมือนกันกามาชันทะที่เป็นอุปมารเรียบด้วยการกู้หนี้แล้วถูกตามทวงกลุ่มใจกังวลใจหรืออุปมาด้วยน้ำเจือสีต่างๆมองเห็นไม่ชัดไม่ใสเป็นกามาชันทะเหมือนกันถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดก็จะดำจิต ให้เศร้าหมองไม่ผ่องใจจำอะไรก็ไม่ค่อยได้นึกอะไรก็ไม่ค่อยออกคิดอะไรก็ไม่ค่อยไปไม่ต้องพูดถึงว่าจะทำสมาธิได้เลยแม้แต่ทำงานเช่นในประชุมกันอยู่เงี้ยคิดแต่เรื่องไปในทางการนะโออยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ประชุมไปกับช้อปปิ้งออนไลน์ไถนาจอมือถือก็ดู ไลฟ์ขายของบางอะไรบ้างเฮ้ยเขาบอว่าการมาฉันทาเัื่อะไรมันดึงเราไปทำให้เราแม้แต่ประชุมทำงานก็ยังไม่ได้เต็มที่มีความเศร้ามองมีความกังวลเราพูดเรื่องการมาฉันทานี่นะในข้อแรกนี่คือเป็นอุปสรรคตมฝังเป็นอุปสรรคที่จะมาขัดขวางเราและที่มักจะมาพร้อมกันกับการมฉันทะ คือความพยาบาทพยาบาทหมายถึงความคิดปองร้ายความคิดอาฆาตก็พื้นฐานพื้นฐานก็มาจากความไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็จะคิดอาฆาตคิดปองร้ายลักษณะพยาบาทนั้นก็จะเปรียบเหมือนกับเวลาที่น้ำเดืดพร่านน้ำที่เราจะใช้ส่องดูทาเป็นกระจกเงาเนี่ยแหละนะ เหมือนกับการแม่ชั น, าน่านีที่ว่ามันจะเจือด้วยสีต่างๆใช่ไแต่คราวนี้น้ำใสๆนี่แหละแต่เดือดปุดๆเลยเดือดพล่านบุ้มบั่มบุ้มบั่มขึ้นนี่โอ้เคยจะไปเห็นเงาสะท้อนจากผิวน้ำที่มันกําลังเดือดพล่านอยู่อย่างนี้ลักษณะความเดือดพล่านปุดๆๆนี่เหมือนจิตเรานี่แหละที่ว่าถ้ามีความเดือดดานมีความไม่พอใจ มีความคิดอาฆาตความคิดปองร้ายนั่นคือพยาบาทเนี่ยจะให้มันเย็นสงบมันไม่ได้จะให้มันนิ่งนิ่งชิวชวมันไม่ได้ก็มันร้อนอยู่ทำปัญญาให้ถอยกำลังเหมือนกับลักษณะของการมาฉันทะเลยถ้าจิตมันโกรธมันเดือดมันไม่พอใจปุ๊บเวลาจะท่องจำอะไรมันมันไปไม่ได้หร้วมันจะคิดแต่เรื่องนั้นจะทรงจำปรุงแต่งอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ คิดแก้ปัญหานั่นนี่ไม่ได้เลยมันจะเศร้าหมองมันจะมีอกติต่างๆประการเพราะพยาบาลลักษณะเปรียบเหมือนกับน้ำเดือดจะใช้เป็นกระจกส่องมองดูไม่ได้หรือเปรียบเหมือนกับคนที่ป่วยไข้คนที่ถ้าเคยเข้าโรงพยาบาลนะสมนผ้ฟังป่วยไข้ถึงรับต้องนอนสมอยู่ที่โรงพยาบาล ลุกขึ้นเองก็ไม่ได้จะถ่ายปัสสาวะอุจจาระนี่ก็ต้องสวนน่ะหรือไม่ก็ต้องเอากระโถนมาให้ถ่ายตรงที่นั่งสวนทวันหนักทวันเบาโอ้มันไม่สบายแน่นอนกินอาหารอะไรก็ไม่ได้ต้องหยอดน้ำข้าต้มสมัยปัจจุบันก็จะเรียกว่าให้อาหารทางสายยางให้แล้วก็ต้องถ่ายใช่ไหมโอ้มันกระตุลักกตุเลมากล่ะเพราะว่ากำลังแขนขาก็ไม่มี ต้องช่วยกันประยุงให้ลุ ก, ใ ห, ลกให้เดินให้นั่งให้นอนป่วยอย่างนี้บางทีนอนจมกองมูดกองคูดคือปัสสวะอุจจาระของตนเองต้องรอคนใหมาประถมพยาบาลไม่สบายตัวแน่นอนมีความลำบากแน่นอนจิตที่มีความเศร้ามองด้วยความคิดปองร้ายความคิดอาฆาตความคิดให้เขาได้ไม่ดีความ เกลืความไม่พอใจลักษณะของพยาบาทนี่เป็นนิวรณ์อย่างที่สองที่จะทําจิตของเราให้ถอยกํำลังมักจะมาคู่กันอยากได้อะไรหนึนก็เป็นการประชันทาใช่ไ่มแล้วมันไม่ได้นึ่งก็เป็นพยาบาทไงหรือได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้อย่างที่ชอบใจนึ่งก็เป็นพยาบาทไงปีนี้ฉันน่าจะได้เลื่อนตําแหน่ง เรามีการมาฉันทาใช่ป่ะภายนอกด้วยคนหนึ่งก็ได้เลื่อนตำแหน่งกันคนนั้นก็ได้ยศก็ได้สองขั้นคนนั้นก็ได้เงินเดือนเพิ่มนี่คือการมาฉันทาภายนอกใช่ไหมผู้ฉันก็อยากได้บ้างเนะี่ะเกิดขึ้นแล้วนะการมาฉันทานี่แต่พอออกมาได้จริงเอ้าไม่ได้หรือได้ขั้นเดียวแหมได้ขั้นเดียวมางคนไม่พอใจนะเจ้าัตว์ทํางานมาต้องเยอะหรือโคต้าปีต่อไปจ้า ปีนี้หมดแล้วจ้าเอาได้ไงเนี่ยอากัดเกลืองละพยาบาลภายนอกเนี่ยพยาบาลก็ยังแบ่งเป็นภายในกับภายนอกเลยนะพยาบาล ท, ที่อยู่ภายในก็คือความไม่พอใจความกัดเกลืองประรับที่ตัวเองทำนั่นคือใช้มือไม้ของตนเช่นบางคนเดินเดินไปแตข่ขาโต๊ะอย่างนี้อโอโหมันเจ็บจีดขึ้นเลยใช่ไหม เจ็บกับความไม่พอใจในคนละอย่างกันอีกนะเจ็บแล้วถ้าคุณอดทนได้ซึ่งเรื่องความอตทนนี่ข้าพเจ้าอธิบายไวย้แล้วละในช่วงของใต้ร่มพฏทธิบทที่พูดถึงความอดทนแบบว่าต้องทนเจ็บหรืออดทนได้เป็นแับเป็นธรรมชาติทีนี้ถ้าอดทนได้เนี่ยไอ้ความไม่พอใจปัญาบาดเนี่ยมันไม่เกิดแต่ถ้าอดทนไม่เป็นอดทนไม่ได้เป็นความเก็บโกรธปึ๊บมันจะโกรธอะไรโกรธโต้อะ โอ้ยก็โกรธตัวเองไม่พอใจตัวเองฉันจะไมฉันเตะอย่างนี้อีกแล้วว่าแล้วอย่ไม่พอใจเกิดขึ้นประอดตนไม่เป็นประรับตัวเองทำนี่แหละนั่นคือปยาบาตในภายในส่วนภายนอกนั้นก็คือประรบการกระทาของคนอื่นเิ่นบอกคุณเดินอยู่บนทางเท้าอยู่ดีๆเงี้อยอมลโมไซขึ้นมาไงนี่ มาเสร็จปุ๊บขับเบียดโอ้หกล้มอีกโท ร, โทรมันไม่พอใจเลยเนี่ย ฉ, ฉันก็ว่าฉันทำตามกฎระเบียบของการจราจรของคนเดินเท้าไอ้คนอื่นมันทำผิดระเบียบนี่โอ้ยจี๊ดขึ้นมาโกรธไม่พอใจสาบแช่งให้เขาตกนรกหมกไหมปลอยเป็ดเอาหนึ่งกลายเป็นพยาบาทที่เกิดภายนอกแล้วพยาบาททั้งภายในพยาบาททั้งภายนอก ต่างก็เป็นพยาบาทเหมือนกันอุปมาด้วยคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนจมอยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีกำลังวางชาอุปมาด้วยน้ำเดือดพล่านทําให้มองไม่เห็นใช้สะท้อนเห็นเงาหน้าของตัวเองไม่ได้นั้นก็เป็นพยาบาทเหมือนกันทั้งกามชันทะาด้วยทั้งพยาบาทด้วยเป็นนิวรนสองอย่างในห้าอย่าง ที่จะทำปัญญาของเราให้ถอยกำลังที่มีอยู่มันก็จะเศร้าหมองที่ไม่มียังไม่เกิดขึ้นปัญญานั้นก็เกิดไม่ได้จะทำกำลังจิตของเราให้อ่อนกำลังหมายถึงสมาธิที่มีอยู่มันก็จะเศร้าหมองอ่อนลงสมาธิที่จะเป็นขั้นสูงๆดีๆลึกซึ้งขึ้นไปมันก็ไม่เกิดขึ้น ก, ก็เกิดไม่ได้นั่นก็เพราะนิวรเครื่องกันคเครื่องขวางคเครื่องของถ้าจะให้ดีืกอยังมีมันท่านเปรียบไว้เหมือนกับน้ํำนี่แหละนะพี่ว่าถ้ามันนิ่งๆไงเออน้ํานิ่งๆไม่เดือดพร่านปุดปุดนั่นคือพยาบาทหรือไม่ว่าดเจือสีอะไรต่างๆอยู่ในนั้นนั่นคือกรรมาชาติใช่ไหมน้ําใสๆเย็นๆน่ะ น้ำธรรมด า, รรมดานี่แหละนิ่งๆผิวน้ำนิ่งๆคุณมองส่องดูเงาหน้าของตนโอ้หน้าฉันอ้วนขึ้นร้อมลงหรือทรงผมเป็นยังไงอันนี้ดูได้ใช่ปะเหมือนกันว่าถ้าจิตเราปราศจากการไม่ฉันทะปราศจากความคิดอาคาตพยาบาทมาร้ายนั่นคือพยาบาทเ อ, อ้ามันก็จะไม่มีการไม่มีพยาบาทมันก็ ก็ดีนะ่ยก็จะสบายใสยๆเหมือนน้ำใสๆหรือคนที่เป็นหนี้จ่ายหนี้หมดแล้วจ่ายหนี้หมดแล้วเอา้าตัวเบาแล้วสบายใจแล้ววันนี้หมดหนี้ไม่ว่าจะหนี้บ้านหนี้รถเออมันเบามันสบายรเรียบเรียบกว่าตอนที่ยังมีหนี้หรือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนอนสมอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาหายจากโรค สมัยต่อมามีกำลังวังชาลุกขึ้นไปเข้าห้องน้าเองได้ไม่ต้องสวนตะวันหนักตะวันเบากินอาหารเองได้ไม่ต้องให้อาหารทางสายยางหยอดน้ำข้าต้มเอาหายจากโรคมันก็ดีสิก็เหมือนหายจากพยาบาทจิตไม่มีพยาบาทดีแน่นอนจิตไม่มีการมชันตะ ด, ดีแน่นอนไม่ว่าสิ่งนั้นจะประรบจากภายในหรือภายนอก คือถ้าคนอื่นก็ทําจะพยายามให้เราโกรธเราก็ไม่โกรธถ้าตัวเองเราสับเพ่าเองซื้อมื้อเองเราจะโกรธแล้วเราจะไม่พอใจมันก็ไม่มาเออจะภายในภายนอกนี่ไม่มีเลยนะปัญญาบาทคือบางคนอาจจะควบคุมพยาบาทเกิดจากตัวเองได้นะเช่นถ้าประตูหนีมือเองก็ไม่ได้ว่าจะโทษคนอื่นหรอกอยังอดทนได้แมมแต่ถ้า คุหนึ่งเขามาวางของวุ่นยราดไว้แล้วเราเดินสะดุดหกล้มเหม่อ ม, มันเครื่อนเหมือนน ะ, ะนี่คือป้องกันปัญหาภ า, ายในได้แต่ยังแก้ปัญหาภ า, ายนอกไม่ได้แต่ถ้าไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกเราจัดการได้หมดไม่มีปัญห า, าเกิดขึ้นแต่เปรียบเทียบดูว่าถ้าได้บางส่วนเนี่ยความเศอ้าหมองมันยังมีแต่ถ้าได้ทั้งภายในภายนอกไม่ให้มีปัญห า, าเกิดขึ้น ดีมากที่ก็จะสงบลงเย็นลงส่วนเรื่องของกรรมก็เหมือนกันมีทั้งภายในภายนอกตัวอย่างง่ายๆอย่างพระสงฆ์นีเป็นต้นที่ว่าจะมีการม่ฉันทาที่เกิดจากตัวเองในการที่จะแต่งตัวรู้ๆเอาไม่ได้แล้วมันกแค่จีวรแม้แต่เห็นคนอื่นเขามีเงินทองมีชื่อเสียงมีครอ บ, ค ร, บครัวมียศตำแหน่งแต่งตัวสวยๆหลอ่ลอๆ อ, อ, อ, อยากได้บ้างอ่านนั้น กามชันธาภายนอกแล้วเลยเกิดการมชัญธาภายนอกขึ้นการมชันทาภายในป้องกันได้แม้แต่าการเมชันธาภายนอกอย่างป้องกันไม่ได้มันก็ยังมีความเศร้าหมองอยู่ทั้งภายในและภายนอกการมชัทาานทาป้องกันได้ได้ทั้งภายในและภายนอกพยาบาทป้องกันได้คำดามในที่นี้คือเราจะป้องกันยังไงละ่ะให้จิตของเรานั้น ไม่มีการมาฉันทะปราศจากปยาบาทเพื่อทำให้น้ามันใสไม่เชือสีต่างๆให้น้ามันใสไม่เดือดปร่านปุดๆให้จากที่เป็นหนี้ก็หมดหนี้ให้จากที่ป่วยไข้ก็หายทั้งภายในและภายนอกทำอะไรไม่ได้เรื่องมือที่จะให้เรากำจัดให้เจ้านิวอนสองตัวนี้ทำฟังนั่นคือสติ จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกเรื่องของโพ่อชงมันจะกู้กันนะเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องอะไรไว้จะต้องมีเหตุและผลเสมอนิวรณ์เป็นเครื่องกัน้นใช่ไหมเครื่องขวางทําปัญญาให้ถอกําลังสิ่งที่จะทําปัญญาให้มีกําลังทําให้จิตไม่เศร้าหมองให้เปิดโลกประกอบด้วยปัญญาได้ท่านก็จะพูดถึงโพ่อชงเจ็ดประการพ่อชงแปลว่า องทำเหมือนการประสรูทำก็คือปัญญาไงใช่ไหมจะมีปัญญาเกิดขึ้นได้ต้องมีเจ็อย่างนี้จะทำจิตก็เราให้ลอดประตูความปรุงแต่งเป็นสังฆตาธรรมเป็นอยนายตนะต่างๆทะลุไปถึงที่เป็นอสังฆตะคือไม่ปรุงแต่งแล้วเย็นแล้วอยู่เนื้อขันห้าอยู่เนื้ออยายตนะทั้งหกโปชงทั้งเจ็ดนั้น คือสติสมโพชงธรรมวิจยะสมโพชงวิริยะสมโพชงปีติสมโพชงปัทธิสมโพชงสมาธิสมโพชงและอุเบกขาสมโพชงจะให้โพชงทั้ง7จดประการเหล่านี้เกิดขึ้นได้นี่แหละสำคัญนั่นคือสติปัฏฐาน4สีสติ จึงเป็นเครื่องมือที่กำจัดนิวรณฟังให้ดีนะเพราะอะไรนะเราควรป ร, รสติทำให้โพชงเกิดไงพอโพชฌงเกิดแล้วนิวรณมันต้องดับไปโอ้อะสติจึงเป็นเครื่องมือที่กำจัดนิวรณเหตุผลมันมาเป็นอย่างนี้สติเราตั้งไว้ยังไงสติแปลว่าการระลึกได้วิธีการนั้นมันมีมากอย่างเลยนะ อาณาปานาสติก็ใช่นึกถึงลงมหายใจพุทธานุสติก็ใช่นึกถึงกลุ่กองพระบรุตรเจ้ากายคตาสติก็นึกถึงในกายของเราเป็นยังไงอุปสมานุสติคือความดับไปความเย็นศีลานุสติก็ยังได้นึกถึงศีลของเราหรือศีลของพระอริยเจ้าจาคานุสติการให้การบริจาคช่วงนี้ก็มีการ ทำบุญให้ทานกติถิญาปลาเอ้ยบางที่เราทำมากทำน้อยก็ไม่เป็นไรแต่เห็นคนอื่นเขาให้เรานึกถึงความดีที่เขาให้นั้นนั่นก็เป็นจากการรู้สติละโอ้มีหลายอย่างในที่นี้เราเจริญธรรมารูปรปัฏฐานสุนีปานการเห็นธรรมในธรรมเรื่องอะไรนิวรณ์เราไม่ได้เอาเรื่องอื่นเอานิวรณ์ที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ต้องเอาของคนอื่นเอาตัวเรามีไหม เป็นยังไงนะวันนี้พูดสองอย่างคือการมัชชะนิวรณ์และพยาบาทนิวรณ์มีไหมในตัวเราถ้ามีต้องยอมรับนะคือสติเนี่ยมันเป็นแค่การสังเกตเฉยๆสังเกตดูเฉยๆแค่นั้นแหละสังเกตดูเฉยๆมันจะอ่อนกำลังไปได้นะเอา้าแล้วสมไมก่อนหนะ้นานี้ก็รู้ว่าตัวเองโกรธอยู่นะ มันนั้นโกรธเพิ่มขึ้นแล้ววันนี้รู้ว่าตัวเองโกรธอยู่ทําไมถึงจะโกรธลดลงได้หรือมีความอยากลดลงได้มันต่างกันตรงเรื่องของอาหารตัวฝังเพื่อเพื่อเราให้อาหารกับนิวรณ์อยู่เรื่อยมันก็จะโตขึ้นถ้าเราไม่ให้อาหารกับมันมันก็จะหดเล็กลงหายไปได้อ่อนกําลังไปได้ เป็นเทคนิคเดียวกันกับเวลาที่เขาใช้กําจัดแบคทีเรียตัมบฟังแบคทีเรียมีอยู่ในร่างกายเนี่ยโอ้มันมีระบบป้องกันอย่างดีนะจะไปทําลายแบคทีเรียโดยการเข้าไปจู่โจมในตัวมันใช้ยาใช้สารเคมีอะไรต่างบางทีมันมันไม่ได้ผลในแบคทีเรียบางประเภทเขาก็มีเทคนิคโดยการที่ตัดอาหารของมันซะเมื่อให้มันได้อาหารเดี๋ยวมันก็ตายไปเองเออ ไปกำจัดอาหารไปกำจัดสิ่งที่จะแวดล้อมให้มันอยู่ดีได้เนี่ยเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมเดี๋ยวมันก็ตายไปเองเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันว่าไอ้นิวร์มันมีอาหารกว่ามันเรื่องที่จะหล่อเลี้ยงให้นิวร์มีการมฉันท์หรือพยาบาทมีมากขึ้นในจิตของเรานั่นคือทุจริตสามอย่างทุจริต ทางกายคือกายทุจริตทุจริตทางวาจาคือวจีทุจริตทุจริตทางใจคือมนโนทุจริตสมอย่างนี้มีรายเรียต่อไปทางกายคืออะไรข่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติปิดในกามนั่งก็คือผิดศีลนั่นเองทางวาจาก็พูดโกหกพูดสาบเสียพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อผิดศีลทางกายหรือทางวาจามันจะไม่เกิดความร้อนใจ ร้อนใจแล้วนี่แหละมันเป็นอาหารให้ก ร, รมฉันตาหรือพยาบาทร้อนใจด้วยก ร, รมฉันทานะร้อนใจด้วยพยาบาทนะเศร้ามองนะนอกจากกายนอกจากวาจาที่เป็นจุดจริตแล้วใจที่เป็นชุดจริตก็เพิ่มอาหารมันด้วยนึ่งคือความคิดพยาบาทความคิดเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นใช้ศัพท์ที่เรียกว่าอภิ ช, ชาและมิจฉาทิฐิ มิจฉาทิฏฐิความคิดเป้ารายพยาบาทความเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของเขาเหล่านี้จะเป็นอาหารโดยตรงกันเลยการมาฉันทะก็มาจากอวพิชารคือความเพ่งเล็งอยากได้ของของคนอื่นความที่เราพยาบาทไม่พอใจมันก็เป็นอาหารของนิวรณ์คือปยาบาทนิวรณ์นั้นลักษณะที่พอมีชุจจฤตแล้วความที่ว่าปัญญาเราเศร้าหมองหลงเนี่ยไปัญญานั้นน่ะที่เศร้าหมองหลงนีะ่ะ ความที่มันมองลงความที่มันไม่แจ่มใสนั่นแนหะคือนิวรณ์เหตุมันมาถึงกันอย่างนี้ลักษณะการทํางา น, ม, นมันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาเรามีอะไรกระทบจากภายนอกหรือภายในก็ตามแล้วมันมีการปรุงแต่งออกไปทางช่องทางกายทางวาจาหรือทางใจเป็นในทางทุจริตนี่นั่นเลยเพิ่มนิวรณ์ดันดีเป็นอาหารของนิวรณ์เลยมันชอบเลยมันหวานเลย นัวเลยพอใจเลยเพราะอะไรเพราะมันแข็งแรงขึ้นความเศร้าหมองมันมากขึ้นความไม่ผ่องใสมันคลืบคลานออกไปอย่าให้อาหารกองมันเพราะฉะนั้นเวลาเรามีอะไรมากระทบปุ๊บอย่าคิดชั่วพูดชั่วหรือทําชั่วให้คิดดีพูดดีและทําดีแทนที่จะคิดพยาบายคนนั้นคนนี้หรือตัวเองใหม่ใหม่ใให้มีเมตตา แผ่ไม่ตาไว้ก่อนหรือบผ่ขาถ้าจติตเรามีความเศร้าหมองตรงไหนเนี่ยแผ่อุเบกขาลงไปแผ่ความกรุณาลงไปแผ่ความใส่ใจลงไปตรงจุดนั้นแล้วให้ส่งต่อไปถึงคนที่เขามีปัญหาอะไรก็บเราก็ส่งต่อไปมันคือจะทําให้การปรุงแต่งทางใจมันไปนในทางที่เป็นกุศลเป็นสุจริตได้จะพูด จะด่าคนจะพูดไม่ดีจะพูดคำหยาบขึ้นหยุดๆยุยุดพูดก็อย่าให้กเกิดเสินใจใครอย่าพูดคำหยาบนั่นปรุงแต่งทางวิจีเป็นสุดจริตใช่ไหมทั้งกายก็ไม่แสดงอาการอะไรกาสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติิดในการไม่ได้ จ, จะไปถึงจุดนั้นอ่ะมันก็เป็นสุดจริตทางกายให้เครื่องเศร้าหมองคือนิวรณ์ต้องอ่อนกําลังลง มาถึงเรื่องมือหลักๆที่เราจะกําจัดนิวรณได้หนึ่งคีอจุดสำคัญในเอพิโซดนี้เลยนะต้องฟังนะเอพิโซดนี้ตอนนี้เราทําความเข้าใจเรื่องนิวรณ์ตัวคือการมชันทะและพยาบาทนี่ถึงความไม่ดีของมันอุปมาไมาต่างๆอาหารของมันแล้ววิธีแก้ที่ว่าจะทำให้โพชงเจ็เกิดขึ้นตรงนี้สำคัญที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานส สติปัฏฐานสีที่เราใช้อยู่ตอนนี้คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการเห็นธรรมในธรรมในธรรมะที่ชื่อว่านิวร น, นั่นแหละอยูเห็นตัวมันเองนั่นแหละเห็นตัวมันเองนี่เห็นยังไงก็ที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยคือเข้าใจตัวมันแล้วอย่างนี้มาละเราก็เคร่งครวญตรายาุลังเข้าใจาเรื่องนิวรนแล้วอ่อดีแล้วนี่มีความเข้าใจแล้วนี่มันมีไหมในใจิตใจของเรา มีอยู่บางทีก็หลุดๆบ้างแต่มีนะ ม, มีก็รู้ชัดว่ามีไม่มีก็รู้ชัดว่าไม่มีเอาตรงมีก่อนเนี่ยตัมา่ฟังมีก่อนลักษณะที่เราจะรู้ว่ามีเนี่ยคือเรา ต, ต้องสังเกตดูให้มันได้ไงสังเกตดูจเรามีความชอบหมองคือความคิดเป็นในทางการไหมมีความชอบหมองคือความคิดบองร่ายพยาบาทไหมถ้ามีเราก็แค่ว่ารู้ว่ามันมี คืบางเวลามันเกิดขึ้นจะเปล่าตรงนี้อาจจะไม่มีแต่เวลาที่มันมีเนี่ยเราต้องรู้ชัดเวลาที่มันมีเนี่ยเราต้องไอดีน i f y ให้ได้ต้องบอกให้ระบว่ามันมีมาแล้อยังลักษณะที่เราบอกได้ว่าอ๋อนี้เป็นกรรมไม่ฉนะเกิดขึ้นแล้วในจิตของฉันเนี่ในขณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โถมันดีมากเลยทุกฟังนั่นคือสติแล้วสติคุณเกิดขึ้นแล้วทันทีแต่ว่าไม่ใช่ว่ากรรมไช่ันท์มันจะดับไปเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวสติมันมีกำลังหรือเปล่าเวลาเรามีความไม่พอใจเกิดขึ้นชันกำลังรถไปธรรมดาแล้วเข้าปาดหน้าปื้ดนี่ปาดนี้โอ้ยมันไม่ใช่แค่หน้ารถมันเกือบถึงหน้าเราเลยอย่างเงี้ยโอหโกรธโกรกรธไม่พอใจละไม่พอใจและโอ้โอ้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วความโกรธเกิดขึ้นแล้วนี่นี่นี่จับตรงนี้ให้ได้ก่อนนะมันยังไม่ดับไปหรอกตูบฟังความโกรธนั่นความอยากนั้นความอยากจะสังเกตได้ยากหน่อย ความโกรธอาจจะสังเกตได้ง่ายหน่อยเพราะอะไรบาตทีเราแบบเห็นคนนี้ก็แต่งชุดนี้แหมเราก็อยากได้บ้างเราก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาลองเสิร์ชหาดูซิมันราคาเท่าไหร่ไอ้เอ๊ะมันนี่มันเกิดแล้วนะแต่แต่ว่ามันเพลินไปสักแป๊บหนึ่งจนดูราคาแล้วโอ้อยากได้บ้างนแต่มันนึกว่าเฮ้ยฉันก็มีอยู่แล้วโอ้โอเดี๋ยวดความอยากเกิดขึ้นแล้วความอยากเกิดขึ้นแล้วนั่นนั่นมันเกิดกันแล้แต่มันเพลินไปนิดนึงเะใช่ไหมบางที่มันสังเกตยากกว่าน่อย เรื่องการมาชันตะประลักษณะของราคานี่มันโทษน้อยแต่ว่าคลายได้ช้าความนี่มันโทษน้อยมันจึงสังเกตยากนิดนึงแต่ว่าความพยาบามความไม่พอใจมันที่มันสังเกตง่ายกว่าเพราะว่าโทษเหมันมากแล้วก็คลายเร็วเรามันจึงเห็นชัดเห็นชัดมันก็สังเกตได้ง่ายแต่จะง่ายหรือยากมันต้องอาศัยการสังเกตเหมือนกัน การสังเกตดูแค่ตรงนี้แหละตัวังนั่ น, นคือสติละสติเกิดขึ้นทันทีสติที่เกิดว่าโอ้ตอนนี้ฉันมีการมาฉันทนะน้วนานีนะโอ้โอ้ฉันมีบยาบาทแล้วนานีนะแค่มีสติเนี่ยตัววังคือการสังเกตเห็ใช่ไหมจิตเราถอยห่างออกมาเสดหนึ่งทันทีเลยนะเพราะอะไรเพราะเวลาที่การหรือบยาบาทเกิดขึ้นแล้วเราพัวพันเข้าไปเลยคือเพลินไปตามอารมณ์นั้นเลยกรัแล้วฉันกรัวแล้ว ด้วยอารมณ์กรธจะไม่พอใจแกนะมึงจะปรุงแต่งที่เป็นทุจริตกายวาจาใจาต่อไปใช่ไหเป็นอาหารของกันและกันเป็นอาหารของกันและกันโอ้ยิ่งจะแบบหนักขึ้นหนักขึ้นบางคนทะเลาะกันเรื่องเล็กเล็กเล็กน้อยเราก็ลามปามใหญ่โตจนถึงบ้านแต่งสาหร่ายขาดรบกันสงครามระหว่างประเทศมันเรื่องเล็กเน้อ ย, น, ย, น, อยนี่แหละพยาบาทนี่แหละมันก็ขยายขึ้นขยายขึ้นประวัติธรรมอกุศลกรรมกันทั้งภายในภายนอกต่าง ทำให้กันนี่คิดจองเวรจองร้ายกันหรือลักษณะของคนเป็นโรคซึมเศร้าก็้วยนะซึ่งก็จะพูดถึงในเรื่องของความซึมเศร้าความมึนความรําคาญใจนั่นกจะเป็นเรื่องตีนามิตะแล้วก็อุทธจักกุกุจจะจพูดต่อไปเอาพูดถึงแค่ว่าตรงจุดที่เป็นในเรื่องของกามด้วยนี่ว่าถ้าเราคิดต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปืางทีก็ผิดศีลข้อสามืางทีก็มีการขโมยมีการโกหก เพราะว่าปราลบเรื่องของกามที่จิตคุณพุ่งไปพุ่งไปกามมันก็มาขึ้นมาขึ้นคนที่เสพยาเสพติดก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะหรือคนที่เสพติดในอะไรก็ตามบางคนเสพติดการกินอาหารบางคนเสพติดการสูบบุหรี่เพราะว่ามันมีกาลมาฉันทะความพอใจตรงนี้อยู่แล้วก็ทําอกุ u l a t ร a m ต่อไปต่อไปเป็นอาหารของกันและกันพอเราตั้งสติแล้วโอ้ฉันมีความ อยากเลยเนี่ยการม่ฉันด้เกิดขึ้นแล้วโอโอฉันมีความพยาบาทความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยการแค่สังเกตดูเหมือนเราถอยออกมาฉากหนึ่งเห็นตัวเรากำลังเพลินไปอยู่ตรงจุดนั้นที่กำลังทำสิ่งนี้อยู่คือมองจากบุคคลที่สา ม, มาเลยเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นละการแค่สังเกตดูเนี่ยทำให้เรามองจากมุมของบุคคลที่สา ม, มาทันที ถอยห่างออกมา9ก้าหนึ่งแล้วไงถอยห่างออกมาเก้าหนึ่งเวลาถอยห่างออกมาแล้วเห็นแล้วว่าโอ้จิตใจมีนิวรณ์ตอนหน้านี้นะที่เห็นได้เพราะสติก่อนหน้านี้เราเป็นจิตเราเป็นใจเลยใช่ไหมเราเป็นจิตอยู่ในช่องทางใจมีนิวรณ์เนโอ้ชุ่มเต็มที่เลยตอนนี้ถอยออกมามองจากบุคที่สาม อาาจิตของเรามีการปรุงแต่งคือนิวรณ์กามาชันทะหรือพยาบาทเกิดขึ้นแล้วการมาชันธะหรือพยาบาตนั้นปรุงแต่งจิตของเราแล้วในจิตของเราเกิดนิวรณ์คือกามาชันธะหรือพยาบาตแล้วจิตกาลังปรุงแต่งกําลังเกลือกเลือกันอยู่โอ้ทีนี้มันเป็นอย่างนี้นี่นคือคุญตจออกมาละเป็นบุคคลที่สามละการแยกแยะมันจึงเกิดขึ้นทันที ที่เมื่อเราตั้งสติไว้สติตรงนี้เกิ อ, อะไรเนี่ยสติสัมโพชงเลยครับสติสัมโพชงเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรมันแยกตัวออกมาแยากตัวได้ไงนะสติสติตรงไหนนี่สติในธรรมไงเห็นธรรมในธรรมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานความที่มันแยกออกมากันได้เป็นปัญญาด้วยปัญญาเนี่นคือสติสัมโพชงเป็นเครื่องก่อให้เกิดปัญญา ปัญญาเกิดพร้อมกับการแยกตัวปัญญาเกิดพร้อมกับสติสติสามโคช ง, ง่ามีปัญญาเกิดแล้วสติก็มาด้วยสัมปชัญญะก็อยู่ตรงนั้นมันแยกกันทันทีตบวางแต่เดี๋ยวบางที่มันกลับไปรวมใหม่นะแต่ใจเย็นใจเย็นฝึกทำสติขอเราให้มีกำลังค่อยสังเกตดูอยู่เสมอว่าในจิตของเราเนี่ยมันมันมีอะไรเกิดขึ้นในที่นี้เราพูดถึงนิวรณ์นะ มีนิวรนไหมจับมันให้ได้จับมันได้แล้วบางทีมันยังดิ้นดินอยู่มันยังไม่ดับไปสงบไปหรอกปลาบปัญญาเราบางทียังไม่เต็มที่แต่จับมันได้เนี่ยมันเริ่มกระบวนการการแยกแยะแล้วเราสังเกตลักษณะจิตของเราให้ดีตั้งฟังทุกขณะเลยนะไม่ใช่แค่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งคุยกันพูดกันฟังกันอย่างนี้เท่านั้นเพราะว่าใน สิ่งวดล้อมที่เราได้รับการควบกุ่มเอาไว้เช่นเราอยู่ในห้องปิดเราหลับตาเราฟังธรรมะเนี่วิธีการมาสันทานนิวรณหรือพยาบาลนิวันมันไม่ค่อยเกิดมันอาจจะเกิดในชีวิตประจำมันมากกว่าเนื่องจาเห็นผู้คนได้ติดต่อปฏิสันทานในเดินทางนั่นนี่เออบางทีมันมีนิวรณเกิดขึ้นเห็นได้ชัดเห็นได้ง่ายเราพยายามสังเกตดูให้ดีตลอดทั้งวัน เวลาที่เรานั่งสมาธิทำจิตให้สงบมีความคิดใดๆเกิดขึ้นอารมณ์นั้นมันจะมากับความคิดเสมออารมณ์ที่มากับความคิดมันเป็นแบบไหนเป็นกวามฉันทัหรือเป็นพยาบาทสังเกตดูจับให้ได้ว่ามีอารมณ์นี้มีลักษณะนิวรแบบนี้เกิดขึ้นแล้วหรือไม่เกิดขึ้นแล้วทักเลยสังเกตดูเลยโอโอนี่เกิดขึ้นแล้วก เ, ล เ, ก เ, ลเกิดขึ้นแล้ว ความรุ่มหลงพอใจเกิดขึ้นแล้วในจิตของฉันโอ้นี่เกิดขึ้นแล้วความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วในจิตของฉันแค่เราสังเกตดูเห็นมันจะแยกกันเห็นนี่คือพูดในใจเราเลยนะอ่าพูดในใจก็เราเลยว่าโอเเน้นี่เกิดขึ้นแล้วในใวิวรณนโอ้นี่กำลังปรุงแต่งจิตของเราอยู่อ่จิตของเราถูกนิวรณ์ปรุงแต่งอยู่ในใจเร า, ามีนิวเกิดขึ้นแล้วทักเลย ให้เห็นเลยให้เข้าใจเลยว่ามันมีมันมาเห็นแค่นี้แหละผูฟังสติเกิดขึ้นแล้วสตินี้ฝึกให้บ่อยฝึกให้มากจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้นี่เป็นเอพิโซดแรกบูฟังในซีรีส์เรื่องของนิวรณิวรณ์คือเรื่องกลางกันที่จะทำปัญญาของให้ถอยกำลังวันนี้นะอธิบายเรื่องของการมชันตะและพยาบาด ที่มีอุปมาอยู่สองอย่างมีทั้งด้านในและด้านนอกด้วยและยังได้พูดถึงวิธีแก้คือการใช้สติที่จะสังเกตดูอารมณ์ภายใ น, ในใจิตใจของเรานี้ในเอพิโซดหน้าก็จะมาพูดถึงเรื่องของมิวรข้ออื่นๆต่อไปและวิธีแก้ด้วยและที่ท่นานได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับอรุณในช่วงของจิตตวิเวกตัวนันการทั้งสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีหถึงหโมงเช้าหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังหรือว่าอ่านดูข้อมูลประกอบได้ในระบบพอดแคสต์ที่ตามเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันเสิร์ชคำว่ามูลนปัญญาภาวนาหรือที่เว็บไซต์ของมูลนก็ได้ต่อไปฝ ที่ปัญญา o r g .p a n y a o r g ก้าพเจ้าพร ะ, ระมหาไพบุ์ค่ะพี่ปุ๋นโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุรินป่พอน